ขหาปฏิวัติหมวดว่าด้วยขหาบดีหนึ่งปฐมมอุคขสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคขขหาบดีสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณครตาคารศาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำอุคขฆาบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วเสด็จลูกจากพุทธาจเข้าไปสู่พระวิหารครั้นในเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศ ข, ของอุคขฆาบดีชาวเมืองเวสาลี แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นอุคฆาคบดีชาวเมืองเวสาลีเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรภิกษุนั้นได้ถามอุคฆาคบดีนั้นดังนี้ว่าท่านอุคฆาคบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแดประการ ทมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการที่เป็นเหตุให้ท่านได้รับพยากรจากพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรผู้ค้าข้าพเดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญโยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการเล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแประการ ที่โยมมีอยู่เถิดโปรใส่ใจให้ดีโยมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วอุค่าค่าบดีชาวเมืองเวสาลีจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าหนึ่งเมื่อโยมได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองโยมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่โยมมีอยู่ โยมีจิตเลื่อมใสแล้วก็้าไป น, นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์ได้ทรงแสดงอนุปูปีกถาแก่โยมคือทรงประกาศทานกถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักคะกถาเรื่องสวรรค์การมาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำสามความเศร้ามองแห่งการเนฆัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสง์แห่งการออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโยมเป็นผู้มีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่โยมบนที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีท่านผู้เจริญโยมนั้นไดเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่างลงสู่ธรรมข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในศาสนาของพระศาสดาไดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว และได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่หบนที่นั่งนั่นเองนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่โยมมีอยู่ 3. โยมนั้นมีพัญญาที่เป็นสาวรุ่นสี่คนโยมเข้าไปหาพัญญาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วหญิงใดปรารถนา หญิงนั้นจงใช้จ่ายโภกทระซับเหล่านี้และจงทำบุญหรือกลับไปยังตระกูลญาติของตนเถิดหรือมีความประสงค์ชายฉันก็จะมอบพวกเธอให้แก่เขาเมื่อยมกล่าวอย่างนี้แล้วพัญญาหลวงได้กล่าวกับโยมว่าขอท่านโปรดมอบดิฉันให้แกชายผู้มีชื่อนี้เถิดลำดับนั้นโยมได้เรียกชายคนนั้นมาใช้มือซ้ายจับพัญญา มือขวาจับเต้าน้ำหลังน้ำมอบให้ชายคนนั้นไปเมื่อบริจาพญญาสาวรุ่นให้เป็นทานโยมไม่รู้สึกว่าจิตแปลไปนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สที่โยมมีอยู่ 4. ตระกูลของโยมมีพวกัพย์อยู่พร้อมและพวกัพย์เหล่านั้นโยมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละ เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สที่โยมมีอยู่ 5. โยมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นไม่ใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่5ที่โยมมีอยู่ 6. หากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่โยมโยมจะฟังโดยเคารพเท่านั้นม่แช่ฟังโดยไม่เคารพ หาท่านผู้มีอายุนั้นจะไม่แสดงธรรมแก่โยมโยมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หที่โยมมีอยู่ 7. ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหาโยมแล้วบอกว่าท่านขา้าพเจ้าทำอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วโยมได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่า เทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วโยมไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาโยมหรือโยมสนทนากับพวกเทวดานี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจที่โยมมีอยู่8 สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้โยมไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนที่ยังละไม่ได้นี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่โยมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แหลที่โยมมีอยู่แต่โยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่า โยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปะประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบินทบาทในนิเวศของอุคขา้ขาพเดชชาวเมืองเวสาลีแล้วลุกจากอาสนะจากไปท่านกลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเลืกกราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัย กับอุคค่าบดีชาวมืองเวสาลีทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุอุคค่าบดีชาวมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรณ์ที่ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราพยากรณ์ว่าอุคค่าบดีชาวมืองเวสาลีเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการนี้แล และเธอจงทรงจำอุคข้าบดีชาเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการนี้ปฐมมาอุขสูที่หนึ่งจบ 2. ทุติยอุขสู ว่าด้วยธทำที่น่าอัศจรรย์ของอุคฆฆาบดีสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถิคามแคว้นวัชีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคฆาบดีชาวบ้านหัตถิคามว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาสิีนี้แล้วเสด็จลูกจากพุทธอาฏเข้าไปสู่พระวิหารครั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคค้าบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต่อมาอุคค้าบดีชาวบ้านหัตถิคามเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ อภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคฆ้าบดีชาวบ้านหัถิคามดังนี้ว่าท่านอุคฆ้าบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการท่านอุคฆฆาบดีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการอะไรบ้างอุคฆฆาบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญ โยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคด้วยทรงพยากรณ์ว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการที่โยมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีโยมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วอกค่าบดีชาวบ้านหัติคามจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าหนึ่ง เมื่อโยมกํำลังเที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองโยมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสางจากเมาสุรานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่โยมมีอยู่ 2. โยมมีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปปภีกาถากระโยมคือทรงประกาศธานกตถาศีลกาถาสักขะคาถาการมาทินวะคาถาเนคขัมมานิสังสะถาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโยมมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิบบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกเทศนาคือทุก์สมุทยัยนิโรธมรร ธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่โยมบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีท่านผู้เจริญโยมนั้นได้เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรม ข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเครือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในศาสนาของพระศาสดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานศึกษาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่หบนที่นั่งนั่นเองนี้แหลเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่โยมมีอยู่ส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 เมื่อโยมกล่าวอย่างนี้แล้วพัญญาหลวงเดียกกล่าวกับโยมว่าขอท่านโปรดมอบดิฉันให้แกชายผู้มีชื่อนี้เถิดลลำดับนั้นโยมได้เรียกชายคนนั้นมาใช้มือซ้ายจับพัญญามือขวาจับเต้าน้ำหลังน้ำมอบให้ใชายคนนั้นไปเมื่อบริจาพัญญาสาวรุ่นให้เป็นทานโยมไม่รู้สึกว่าจิตแปรไป นี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สที่โยมมีอยู่ 4. ตระกูลของโยมมีโภกรัพย์อยู่พร้อมและโภกกรัพย์เหล่านั้นโยมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกลยานธรรมนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏป ร, กฏประการที่4ที่โยมมีอยู่ 5. โยมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้น มิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่โยมโยมจะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะไม่แสดงธรรมแก่โยมโยมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่โยมมีอยู่ 6. ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อโยมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้ว โเคเทวดาเข้ามาหาโยมแล้วบอกว่าท่านข้าพเดีภร์พิสุรูปโ น, น้นเป็นอุปโตภาคาวิมุตตรูปโ น, น้นเป็นปัญญาวิมุตตรูปโ น, น้นเป็นกายสักขีรูปโ น, น้นเป็นทิฏฐิป ต, ตะรูปโ น, น้นเป็นสัทวิมุตตรูปโ น, น้นเป็นธรร ม, มานุสารีรูปโ น, น้นเป็นสัทานุสารีรูปโ น, น้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม รูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปทำรรท่านผู้เจริญเมื่ออังฆ่าพระสงฆ์โยมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแท้จริงโยมวางจิตสม่ำเสมอถวายนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หกที่โยมมีอยู่เจ็ 7.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 พวกเทวดาเข้ามาหาโยมหรือโยมสนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจ็ที่โยมมีอยู่ 8. หากโยมจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าสังโยต่เป็นเหตุให้อุกะ ข, ขาบดีชาวบ้านหัตถคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มี นี้แหละเป็นธรรมที่น่าอศัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดที่โยมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมที่น่าอศัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการนี้แหละที่โยมมีอยู่แต่โยมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าโยมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอศัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการเหล่าไหนลำดับนั้น ภิกษุนั้นรับบินทบาทในนิเวศของอุคคะคบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วลุกจากอาสนะจากไปท่านกลับจากบินทบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคะคบดีชาวบ้านหัตถิคามทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละดีละภิกษุอุค่าข้าบดีชาวบ้านหัตถิคามเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องเพื่อพยากรไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุค่าข้าบดีชาวบ้านหัตถิคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการนี้แลและเธอจงทรงจำอุค่าข้าบดีชาวบ้านหัตถิคามว่า เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการนี้ทุติยอุคสูที่สองจบ 3. ปฐมมหัตตะสูตรว่าด้วย ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคาลวเจดีกรุงอารวีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจ็ดประการ ทาที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจ็ประการอะไรบ้างคือหัตถะอุบาสกชาเมืองอรารวี 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีลสเป็นผู้มีหิริสเป็นผู้มีโอตตะปะหูสูสร 6. เป็นผู้มีจาคะ 7. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถะอุบาสกชาวเมืออรารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจตประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเวยากรณภาสินี้แล้วเสด็จลูกจากพุทธอาฏเข้าไปสู่พระวิหารครั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของหัตถะอุบาสกชาวเมืออรวี แล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต่อมาฮาทกาอุบาสกชาวเมืองอรารวีเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่อภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควรภิกษุนั้นได้กล่าวกับฮาทกาอุบาสกชาวเมืองอาวีดังนี้ว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจ็ดประการ ทำได้หน้าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ7ประการอะไรบ้างคือหัทกอุบาสุกชาเมืองอรารวี 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้มีหิริ 4. เป็นผู้มีโอตปะ 5. เป็นพหูสูตรหเป็นผู้มีจาคะ7 เ, เป็นผู้มีปัญญาผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจ็ตประการนี้แหลหฮาทกะอุบาสกชาเมืองอลวีถามว่าท่านผู้เจริญเคราะห์ผู้นุ่งผ้าขาวไม่มีในตําแหน่งที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นี้บ้างเลยหรือภิกษุนั้นกล่าวว่าผู้มีอายุเคราะห์ผู้นุ่งผ้าขาวไม่มีในตําแหน่งที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นี้เลย หัตถกะอุบาสกกล่าวว่าท่านผู้เจริญดีจริงขรหัตผู้นุ่งผ้าขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นี้เลยลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบินทบาทในนิเวศของหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอลาวีรู้จากอาสนะแล้วจากไปกลับจากบินทบาตแล้วหลังจากชันพัหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งน้ทที่สมควรเดียกราบททนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของหัทกะอุบาศกชาวเมืองอลาวีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต่อมาหัทกะอุบาศกชาวเมืองอลวีได้เข้ามาหาข้าพระองค์ อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรืองกล่าวกับหัตกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจประการธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจประการอะไรบ้างคือหัตกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีลสเป็นผู้มีหิริ4เป็นผู้มีโอตตปะ 5. เป็นผู้มีโอตต 6. เป็นผู้มีจาคะ 7. เ, เป็นผู้มีปัญญาผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเจประการ น, นี้เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วฮตทกะอุบาสกชาเมืออาลวี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 ไม่มีในตําแหน่งที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์นี้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุภิกษุผู้เป็นกุลบุตรนั้นเป็นผู้มักน้อยไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงทรงจําหัตกะอุบาสกชาเมืองอลวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏนี้ คือไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้กุณธรรมที่มีอยู่ในตนเพราะความเป็นผู้มักน้อยปฐธมมหาธกะสูตรที่สจบ 4. ทุติยมหาธกะสูตรว่าด้วย ธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถะอุบาสกสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาระวะเจดีเขตเมืองอรารวีลำดับนั้นหัตถะอุบาสกชาวเมืองอรารวีมีอุบาสกประมาณห0 0ร้อยคนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัทกะอุบาสกชาเมืองอลวีว่าหัทกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านสงเคราะห์บริษัทจํานวนมากนี้อย่างไรฮัทกะอุบาสกชาเมืองอรารวี ก, กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจํานวนมากนี้ด้วยสังฆวัตถุสีประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่า ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์ด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่าเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่าเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โอเคซับในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละหาตกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุสประการนี้แล ใครก็ตามที่จักสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากในอนาคตการก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วยสัง่าวัตถุสีประการนี้แหละใครก็ตามที่กำลังสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคาวัตถุสีประการนี้แหละหลังจากนั้นฮัทกอุบาสกชาวเมืองอาวีที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต เราใจให้อาถารแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอลวีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจาหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอลวีว่า เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการอะไรบ้างคือหัทกาอุบาสกชาวเมืองอลวี 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้มีหิริ 4. เป็นผู้มีโอตตปะ 5. เป็นผู้หูสูสร 6. เป็นผู้มีจาคะ 7. เป็นผู้มีปัญญา แเป็นผู้มีความมากน้อยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถะอุบาสกชาวเมืออาราวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการนี้แลทุติยะหัตถะสูตรที่สจบ 5. มหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขครุงกบิลพัทแคว้นสักกะลำดับนั้นเจ้าสกยะพระนามว่ามหานาม ะ, สะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอแล พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหานามะเมื่อใดแลบุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสระณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสระณะเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสระณะเมื่อนั้นบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่มหานามะเมื่อใดแล อุบาสกเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกรมเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรมหานามะเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะ แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังสัจธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฟังสัจธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้ว แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกือ้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 และชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ประสงค์จะเห็นภิกษุและชักชวนผู้อื่นให้เห็นภิกษุตนเองเป็นผู้ประสงค์จะฟังสัตยธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ฟังสัตยธรรมตนเองเป็นผู้ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้และชักชวนผู้อื่นให้ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ตนเองเป็นผู้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ฟังแล้ว และชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมตนเองเป็นผู้รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูณตนเองและเพื่อเกื้อคูณผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลมหานามสูตรที่หจบ ชีวะกะสูตรว่าด้วยหมอชีวกโกมรารพัทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะชีวกัมพวรนเขโครงราชครื้ลำดับนั้นหมอชีวกโกมรารพัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าอุบาสก ด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอแหลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชีวกเมื่อใดแล่บุคคลเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะและเป็นผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อนั้นบุคคลชื่อว่าอุบาสกด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหล่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไรชีวก เมื่อใดแลอุบาสกเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้มีศีลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไร ชีวกเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาละถึงตนเองเป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมเมื่อนั้นอุบาสกชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อคูลผู้อื่น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาส tech, กชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อคุณตนเองและเพื่อเกื้อคุณผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรชี้วกเมื่อใดแลอุบาสกตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล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 เปฐมมัะลสูตรว่าด้วยกําลังสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายกําลัง8ประการนี้กําลัง8ประการอะไรบ้างคือ 1. เด็กมีการร้องไห้เป็นกําลัง 2. องมาตุขามีความโกรธเป็นกําลัง 3. โจรมีอาวุธเป็นกําลัง 4. พระราชามีอิสริยยศเป็นกําลัง 5. คนผ่านมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 6. บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง 7. คนผู้เป็นหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลัง 8. สมณพราหมีขันติเป็นกำลังภิกษุทั้งหลายกำลัง8ประการนี้แลบทมมพละสูตรที่7จบ 8. ทุติยะพละสูตร ว่าด้วยกำลังสูตรที่สองครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรภิกษุเขนาศมีกำลังเท่าไรจึงปฏิ ญ, ญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า แต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาศพมีกําลังแปประการจึงปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วกําลังของภิกษุขีณาศพ8ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพในพระธรรมวินัยนี้เห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแม้ข้อที่สังขารทั้งปวง เป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศพเห็นว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วสองกามทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง แม้ข้อเที่ร์กรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเห็นว่าเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วสามจิตของภิกษุขีณาศพเป็นธรรมชาติน้มไปโน้มไปโอนไปตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนคขมะ ปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงแม้ข้อที่จิตของพิสุขีนาศเป็นธรรมชาติน้อมไปโน้มไปโอนไปตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนคขัมมะปราศจากเงื่อนธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงนี้ก็เป็นกำลังของพิสุขีนาศที่พิสุขีนาศอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่า อาสวะของเราสิ้นแล้วสสติปฐานสี่เป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่สติปฐานสี่เป็นธรรมที่ภิกษุขีนาศพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีนาศพที่ภิกษุขีนาศพอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วห้า อิทิบาสีเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วละถึง 6. อินทรีย์าเป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้ว 7. โพชฌงเจ็เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้ว 8. อริยมัชมีองค์8เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วแม้ข้อที่อริยมัชมีองค์8 เป็นธรรมที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วนี้ก็เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาศพมีกำลังแปประการนี้แลจึงปฏิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วทุติยภละสูตรที่8ดจบ